อาจารย์คนหนึ่งชอบพาลูกชายไปเป็นจิตอาสาคราวหนึ่งก็พาลูกชายไปที่บ้านพักคณชราบ้านพักคณชราอันนี้ก็มีคนชราที่ ถูกทอดทิ้งอยู่ไม่น้อยบางคนก็เจ็บป่วยบางคนก็เป็นอัลไซเมอร์บางคนก็มีอาการที่กลเจลิดนะพาลูกไปประจิตนาสาพเพื่อลูกจะได้นะมีน้ำใจเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วขณะเดียวกันก็ได้เห็นความไม่จรลัง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 กำลังยกเก้าอี้เดินออกไปที่สนามหญ้าตรงก็ไปในสวนอาจารย์ ก, ก็ถามว่าลุงจะไปไหนแจ้าก็ตอบว่าจะไปปลูกต้นไม้เนี่ยแล้วก็ชี้ต้นไม้ที่มาปลูกรอบสนามหญ้าไปเนี่ยฟีมือฉันทั้งนั้นแหละยกเก้าอี้ไปนะ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 ต่างคนต่างก็ยกเก้าอี้ไปคนละตัวแล้วก็เดินต่างคุณลุงไปเดินไปสักพักคุณลุงก็หันหลังมาถามเนี่ยว่าเนี่ยพวกเธอจะไปไหนกันก็ตอบว่าก็ไปปลูกต้นไม้ไงลุงก็เลยตอบว่าแกจะบ้าหรือไงเนี่ยอที่แกยกเนี่ยมันเก้าอี้นะไม่ใช่ต้นไม้เนี่ย เรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างเปิดแง่คิดให้เราได้คิดนะว่าให้เราได้รู้ว่าจริงๆคนบ้าเนี่ยเขาไม่ใช่เขาไม่รู้อะไรนะเห็นคนอื่นเนี่ยยกเก้าอี้ไปแล้วพูดว่าไปปลูกต้นไม้นี่เขาก็รู้สึวนผิดสังเกตละแต่เขาไม่รู้ตัวเองนะว่าเขาเองก็ทำอย่างนั้นเหมือนกัน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 ว่ากำลังคนนี้กําลังโกรธคนนั้นกําลังหงุดหงิดแต่เวลาเขาโกรธเองเวลาเ้าหงุดหงิดเขากลับไม่เห็นตัวเองนะอันนี้เราถึงเพิ่มว่าคนเราเนี่ยแม้กระทั่งที่เป็นคนทั่วๆไปเนี่ยก็มีส่วนแห่งความบ้าอยู่เหมือนกันอาจจะไปว่าคนบ้าว่าเขาไม่รู้สเนื้อรู้ตัวเห็นแต่คนอื่นแต่ไม่เห็นตัวเองเนี่ยก็มันก็ถูกครึ่งหนึ่งนะ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 พออารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วครอบงำใจแล้วก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะอาจจะมีความรับรู้ที่แจ่มชัดเกีก่ยวกับคนอื่นคนเราเวลาโกรธเวลากลัวเนี่ยการรับรู้สิ่งนอกตัวนี่มันจะมันจะละเอียดละออมันจะแจ่มชัดมากแต่ว่าไม่รู้ตัวเอง คนเวลาโกรธนะก็อจะทาอะไรต่างๆที่เลวร้วายยิ่งกว่าคนเมาด้วยซ้ำอันนี้เรือเมาอารมณนะ์และอารมณ์ก็มีหลายอย่างนะอารมณ์โกรธอารมณ์เกรียดอารมณ์เศร้าถ้าพอมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ทําไปแม้จะมุ่งร้ายกับผู้อื่นแต่ว่ากลับมา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 เขียนข้อความอวดนะอวดตัวบ้างคมอีกฝ่ายหนึ่งบ้างเช่นอนอสอเป็นพ่อกบอวนะก็เอากำแพงของผู้ชายคนเนี้ยของคนเนี้ยเป็นสนามประลองนะประลองกำลังก็ต่างคนต่างก็เอาสีมาขีดมาเขียน เพื่อด่าว่าคู่ต่อสูนะ้ก็ยังดีนะไม่ถึงกับขั้นเอาปืนมายิงไล่ยิงกันอย่างอุเทนถวายกับช่างคนปถุมบันที่เป็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้ฝ่ายหนึ่งขีดเขียนข้อความอีกฝ่ายนี้ก็เขียนตอบโต้จนกระทั่งกำแพงนี่มันเลอะเทอะไปหมดนะผู้ชายคนนี้เจ้าของบ้านนี้แกก็ต้องเอาสีมา มาทามาทับทังแล้วขั้งเล่าจะไม่ทาก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันจงแจ้งเลยเกินในข้อความนี่มันเลอะเทอะไปหมดตอนหลังเขาก็เอาป้ายมาปักไว้นะใกล้ๆอ่าประตูกใกล้ๆ ก, ก, กับกำแพงนะขอร้องว่าอย่าขีดอย่าเขียนเลย บอกว่าไอ้ป้ายนั้นก็ถูกทําลายแต่มีข้อความหนบแนมเจ้าของบ้านอีกเจ้าของบ้านก็ชักโมโหตอนหลังก็เอาป้ายมาเขียนข้อความให้หนักขึ้นว่าผู้ดีย่อมไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นรากว่าไอ้ข้อความนั้นก็ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลายเป็นว่าผู้ดีย่อม ก่อความเดืดร้อนแก่ผู้อื่นนะขีดคําว่าไม่ทิ้งแล้วก็เขียนข้อความต่างๆมากมายเจ้าของบ้านก็เริ่มโมโหคราวนี้ก็เริ่มขู่แล้วนะเอาประกาศมาติดบอกว่าเนี่ยจะดําเนินคดีทางกฎหมายนะกับผู้ที่เขีเยนข้อความบนกําแพงไม่ได้ผลนะนะก็กลับเขียนท้าทายว่าลูกงเคยก็มีคนเขียนฉีดข้อความเขียนท้าทายว่านายจริงก็มาจับสิ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 จนลืมดูตัวเองไปถ้เราเคอคเห็นได้ช่วยประจำวันทั้งที่ตัวเราเองก็ดีหรือว่าประสบการณ์ที่มีกับคนหนึ่งก็ดีเมื่อราก็ตามที่มีความโกรธแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ตัวนะทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นโดยที่มองไม่เห็นว่ามันจะส่งผลร้าย กับตัวเองตามมาอย่างไรบ้างบางทีก็ดา่า เ, เสียหายทั้งที่ถ้าเกิดตัวเองเนี่ยมีสติก็คงจะไม่ทำอย่างนั้นพอความโกรธหายก็มาเสียใจว่าพูดอย่างนั้นไปได้อย่างไรแต่มันพูดไปแล้วเพราะอะไรเพราะลืมตัวเพราะไม่รู้ตัว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 พวกที่ไปกระทำชำเราคมขืนนะอาจจะคนไกลหรือคนใกล้ก็หน้ามืดเหมือนกันเพราะราคะมันครอบงาพอราคะครอบงาแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วจิตนี่มาส่งออกนอกหมดมันคิดแต่จะทาตามอารมณ์โดยที่ไม่รู้ว่าผลกระทบตามมาเกิดขึ้น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 ถ้าเราไม่อยากใจเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะก็ต้องกลับมารู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดให้ไวพอทาลูแล้วเนี่ยมันก็จะละได้วางได้อารมณ์แต่และชนิดเนี่ยมันมีกําลังนะมันมีวิธีการเล่นงานจิตใจเราแตกต่างกัน <c oughs> ถิ่มแทงมั่งเผาลนมั่งบีบคั้นมั่งกระนําซ้ําเติมหรือว่า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 บยุยทําให้เกิดความดันทําให้เป็นโรคหัวใจหรือทำให้เป็นมะเร็งได้อันตรายมันที่เกิดขึ้นกับจิตใจเนี่ยที่จริงมันก็ไม่จำเป็นต้องเกิดก็ได้นะเพราะว่าเรามีตาในที่คอยป้องกันได้อันตรายภายนอกเรามีเครื่องมือถึง5อย่างในการป้องกัน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 อันนี้เพราะว่ามันฉลาดนะมันคืบคลามาบ่อยๆคืบคลานมาบ่อยๆมันก็รู้แล้วว่าไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้นะมันจู่โจมเข้ามา ท, ทันทีหลายคนเนี่ยเวลาโกรธนี่โกรธเร็วมากเลยนะโกรธแบบปรี้ดเลยที่โกรธปรี้ดนี่เพราะอะไรนะมีเคยเคยมีคนเาม่าทำไมมันโกรธปรี้ดงังน่นนะก็เพราะว่ามันโกรธมาแล้วหลายครั้งอะโกรธแบบนั้นมาแล้วหลายครั้งแต่ก่อนนี่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 แล้วคนจำนวนมากก็เป็นอย่างนั้นนะไฟโทระไฟราคามันเผาจิตใจจยยกนกระทั่งทำอะไรก็ทอะไรที่มันไม่น่าทำเสียผู้เสียคนก่อความทุกข์แกตัวเองก่อความทุกข์แกคนอื่นแต่เราฝึกได้นะฝึกสติของเราได้ให้มันไวนะเพียงแค่มีมีเขาลางนะของอารมณ์หรือมี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 อชาตนีああ่ก็พูดกัท่านนี้นะอากรพภะ